พระธรรมเทศนาจาโดกเรื่องสังสินเทวดาภูเขาสิบสีเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูป ร, ริยตมพปริยกนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะ จ, จังหวัดเชียงหายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธ h ấ t ะ โสราจักุมมาโรนุกาเวนาวะาะวุทิงปัตตาโรปสัมปันโนอะโหสิติสาธโวโดราสัพุริตาตั้งลายตั้งยิ่งใจมวนหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรมจุงจักจำแต่เก้า ราตต่อเต้ตาเถยงไปติดสืบสาสอยาขาดส่วนอันวาสังขาราชกุ ม, มารลูกพระผู้บานยศเงาคือว่าเต่าสินธนูใจจำเริ่นไว้ขึ้นใหญ่อายุได้สิบหกปีวันดดีวิลาจบชาลาสิบปกะคุณมีใจบุญแผ่กว้าง มักก่อสร้างไว้ต้านนาตาบ้านจืนจ้อยไข่เกาท้อยกำไ ย, ยจุ่มไผ่ไต้ดมเทารักแป้งเจ้านำนามีแต่จ้าลายแหลกิติแพหรือไก่ขาวหรือไปทั่วดาวถึงเขตเต้านานา พระพิตาปอไทยบอ่อหม่นไม่กังวลจริงเฮือตนลูกเต้าเป็นอุปราชเจ้าแก่เมืองฮือรุงเรืองไปนาจุมไผ่ฟ้าเจยบ้านสาธทุกการมีกองสั น, นห้องเวียงใจก่อเหียงแลนา ถ้าต่อปัญญาแรกแต่นั่นไปไปนาสวนอันวามหาสัจเจ้าหันลูกเต้าใสใจจำเริญไว้ใหญ่กาอนุกว่าสาวายปัญญาภายชาติกวนนั่งภาษาเสวยเมืองตนบุญเรื่องป่อเต้าจริงฮือเป่าและตีกองใจ เพือ่อกอนในอามาตังไพราตเสนาเอากันมามวลหมู่พร้อมนายโยหอคำเจ้าคุณทรมิกระติงโอกาสกำไปว่าดูราเสนาในอามาตังไพราตพระเจ้าบัตนีนาเราเต้าก็แก่ข้าวรวยแรง สายรอมแป้งลูกเตากวรเป็นเจ้าผาปุรีสะเวศลีภาษาถือไพร์าราดเย็นใจกันเต้าไข่กาวแล้วก่ออภิเศกลูกแก้วเฮ้อเป็นพญากตนามาจือไว้ว่าเต้าโญดใหญ่สังคราจ้าแล้วนำนางกัญญางามอาจลูกเต้าราดแดนไก่มีผิวใสจจจน เนื้อเกียงอ่อนสุขุมันชมเจียงขาจนจื่จ้อยดังสาวน้อยบ น, บนวิมานไผยบ่อปานเพียบได้พับลุ่มไต้ปัทถพีเมื่อเป็นเตวีรวมคางแห่งเจ้าจ้างสังคาราชาและนาโสปนามหาสัตโตส่วนอันว่ามหาสัจเจ้า กนเฮือโลกเตาสายใจเสืบเพียงใจใหญ่กว้างเป็นเจ้าจังแต่นอง์เจ้าก็ป่งหมอบไว้ยังธนูใหญ่เตรียมใจและสรีกันใจวิเศษภาพตุกเทศสัตวถูกเฮอบุญจุลูกไทยเก็บเมียดไว้แก้มตนหนอตาสพลเจียงเจ้ากับหนอเนาเทวีอยู่สัตวดีจงจอง บ่เกี่ยวข้องกันได้ฮือใส่ใจลกูกไทยกึศสร้างไข่จูอันอันเต่าเอากันก่อสร้างแต่ตาตัต้งตั้งบุญไ mm hmm. ว้ตาหนุนจใจบ่หม่นไม่เครื่องกาถึงจระรัแก่เท่าเปียที่เขามาปั้นก่อดับพันผากนาไปเกิดจันฟ้าตุสิดาก็มีหันเลยนะ อันว่าฟาญาสังคาราตุกไม่มาดนำนาโกเร่งดาตกแต่งตามพิมแปงโบราณแล้วทรงสากการสองเจ้าตามฤีดเก่ามีมาการนาดาตุกสิ่งมีพร้อมยิงจูภาการกาะีหันและนา ทีนี่จากวันน า, นาจะเล่าถึงหนอเนาหกใจลูกดางใพรใจบาปมักขน า, นาบนอสปัญยุเป็นสัตทั่วตัวกากันผากนาหนีไปจากเวียงใจแต่ต้องคงเขตท้องปัญจานาคก้ก่อเที่ยวจจะใจ <c oughs> ขามเมืองใหญ่นาหน้าขามดงนาป่าไม่นับอ่านใดหลายวันจริงเอากันไปรอตีเมืองยอดอินตะปทะนะกรหนอผู้ทอนหกผูกเกเข้าสู่หอใจทุนสาไขาเหล่าเก่าซึ่งเต่าเจ้าปราวผาู้ข้ามาจากห้องคงเขีดต้องปัญจาลานากร เป็นโลกพระผัวทอนกุศราตนนั่งพาศาสเวสีผู้ขาวิใจไฟไข่แอวไขเวียงใจผอและไปตุกตีฮือหันทีกับตาแสวงหาศิปศาสือองอาจกับตนแล้วจักหนนปอกเตาไปเป็นเจ้าไปนู่นฮือเป็นกุนอันใหญ่แก่ไพใต้เจ้าเมือง ขอพระบนเรื่องเจ้าฟ้าจุงอ้ายนาคุณนามีเมตตาภายแพ้ปันหื้อแกข้าหกใจได้ยังหายหิวหอดพักยังจอดสักวัน <c oughs> กันเล็งหันที่แจงไขจู่แห่งเวียงใจจักละไปบ่จ้าเอาตั้งนาเป็นไปและนาะ สุราชาอันาณาพญาอินตะปัททะหยดยาวฟังคำเก่าทุนสารแห่งกุมารฮกภูพอรอดรู้ความในจริงจะใครต้านต่อว่าดุราเจ้าดอหกใจตันตั้งหลหนุ่มเน่าเป็นลูกเจ้าราชาได้เตียวมาถึงเขต แดนพระเตศดาวปุรีเรายินดีลายหลากยารีภาคกลาไปจุงอยู่ในภาษาแห่งกุราตามใจแดดเตอร์เมื่อนั้นหกใจรำหนุ่มนาวนบกมเก่าวันตาขาบทุนสาตานถอยด้วยรมอ่อนอ้อยไหลภาคการแล้วสำรานยังจอด ที่ห้องยอดถอใจหลายวันไปหลวงแล้วเต้าตนแกวราชายินคุณนาะมีมากย้อนเขานั่นหากจาวานกาต่ำการน้อยใหญ่ช่วยเตา้าไทยนานาสโสราชาพระญาณนันไซมีลูกแก่นไทยหกยิง ชมเป่าปิ้งล้วนทวนเนื้ออ่อนอวนสี่ใสเจ้าหอใจตนพ่อกึดหันต่อบุตรีจิงยกฮกสลีลูกเต้าฮือแก่เจ้าฮกใจแล้วยกทวายภาษาฮือสมวยราแตนเมืองก็มีฮันและนาะ เุมมาราอันว่าฮกใจลมเนาลัวใดเป็นเจ้าผาปรารมโกธาบ่กขาดยังไม่มาดภายในว่าสินธนุใจญาตได้นั่งภาศาสปัญจาละละกรนตนผู้ทอนป่อไทยจุงละไว้ปั่นมันกูจักพันไปคา เมื่อวันนาปลายลุ่นมันมีบุญได้แลกันมันแก่จะรามาราณาตายกว่าก้ายปอกตาขึ้นไปผาเพียงใจหฮือดบ่ละไว้ปันไผ่มปนมีใสใจเชื่อจจะเสะวยราแต่นมันกูบ่ตันไปคาจักหือลูกลาไปแ่น เขาเกิดแก่นบ่ขาดใจเกิดขวาดคันดิ้งในต่อ น, นั้นไปไปนาเขาเจ้าฝ้าหกใจก่อมีใสานหนอเนื้อไหวสืบเจอหกคนเป็นลูกต้นลูกลาไข่ทวนนาหกใจเขาตั้งหลายจื่นโซเฝ้าลูกอยู่ทั้งวัน หากแบ่งปันใจใครหือลูกใหญ่เร็วปันจักไปฟันต่อตากับเจ้าฝ้าสินธนูใจย้ <c oughs> ยอนเจ็บใจบ่แล้วจริงสัง่งลูกแก้วสายตาว่าดูราลูกเต่าพ่อสู่เจ้าเดิน ม, มาอยู่ปาราเมืองใหญ่มีจิวไว้ว่าปัญจาละนะกค พระผูร้รอยอดเจ้าเจือว่าเต้ากุศลราชธราธรุงเตจาองอาจมีโอรสราชหกใจหลายใจ <c oughs> <c oughs> พ่อู่ตั้งหลายนี่เล่าเป็นลูกแม่เก้าหกคนส่วนนางตามนสุดซ้อยมีลูกน้อยชจือสินธนุใจ มีของเตรียมใจวิเศษภาพตุเขตสัตถูกคือกงธานนกับดาบอานนภาพเพ่ลใจบอมีไผยแปดใดพับแผ่นไตโลกาพระพิตาเจ้าฟ้าจริงฮือน้องลาภาปุรีเฮือป้อนีเจียนจากลาลาภากปารา พอจริงมาตั้งหมู่ใดมาอยู่เมืองเราสอกมองเงาร่อนใบบอขาดใดวันใดถึงตายไปเบี้ยจาดบอ่อเสียงขาดโกธา <c oughs> ขอบุตรตานอไทยจำจือไว้ในใจกันสินธนุใจญาตามารณนาดปมไหวสู่ตั้งลายจูผููจุงไปรบลู่เอาเมือง ให้เครื่องกูป่อแม่นเจ้าหนอสินทะนุใจบ่อตายไปแน่มันสู่อย่าดันไปหาอย่ายกโยธ า, าไปผาบมันจะขนาบสู่ตายบ่อยาจะและน่ อันว่าหกเจ้าฟ้าปาลาสั่งบุตตาหกโพฮือไดรู้จูพักการบ่อปนันแตโสดหกเต้าหดอาธรรมจะหมัวดำกายาปองขนาสปัญโูบุญบ่จู่วยไวบาปเอาไม่ไปไหนก็ตายไปตั้งหมูตกลงสู่อาบาย เบยตุกลายเรือแล่เปลวไฟแร่ลามล้นส่วนลูกขอคนนั่นใส่กันขึ้นใหญ่ไวยามีเตจ้าองอาจจบชาลาสิปกุนก่อได้เป็นขุนแตนพ่อก่อสังต่ออินตาปัททานากรกำป่อสอนสั่งไว้บ่อหอนได้ลืมลา <c oughs> ฮานิ่งหาบอขาดกึ่นรู้ควาตั้งวันเขาเอากันดักอยู่บ่อเก่าโอคนได้อดยื่นไปใจใจต่อเต่าใดยินมาว่าพระราชาหยดเ่าหรือตัวดาวแดนไก่จื่อสินธนุใจญราตสะเว่ิปัสสัดปัญจลนากรได้เมื่อมนกัดกอย ละลวกน้อยไว้เป็นพาญาเจือสังขราชานอาอไทยพงขึ้นใหญ่แล ร, ร่รมรวบกิ่งงามสะอาดบ่อชาลาดจบทอง <c oughs> บ่อรู ก, กองแบบเบาแลลรีดเก่าอันใดข่าวลือไปแน่มันเขาหมูนั่นยินดีก่อตีนันตะเพรีเป่าร้อง ไปไข่ห้องปารายกโยธามวลมากออกไปจากเพียงใจโยธาไหลจะจืดฝุ่นฟุ้งมืดบังบนจุมรีปนฝั่งเฝ้าไปรอดดาวปัญจาลนาครเกาะมีหันแลนา กันว่าไปรอถแล้วที่เมืองแก้วปัญจาละนาคอนนอผู้ทอนหัดเท้าคือหมูเต้าหกคนก่อนยกรีปนเข้าไก่จีมอกใสตุ่มตุ่มเสนารมแหลนเข้าเสียงอดเอ้าอืตื้อสองมือถือหอกดาบเต้นผ้าภาาเป็นสาย มีหลวงลายลำหมอกเต็มปายนอกเวียงใจจากกำาไปหาเท้า ว, วากูจักขาเต้าสังขราจาเอาหัวมาเสียใอยฮื่ยไผ่ไตเล็งดูมันเป็นสัตววเจนป่อตูจักลมหล่อตั้งเมืองเสียงนั่นเนืองมีกอง ถือดาบสองดาฟันพองกอพันสินาดยกขึ้นวาดเล่งยิ้งเสียงดังพิงคาคืนสะนันปื้นธรณีจุ่มฮัตทีหมู่จ้างเขางัดง้างจนแตงยังกำแพงเบื้องใหญ่จี้มกใสตัวไปเป็นควันไฟมืดกุมตั้งแต่ลุ่มถึงบน โอลหอนเกิดกองตัวแห่งห้องปาราคนเววาสวาสวาบอรู ก, กว่าตั้งได้ดู ก, กังไหลแต่เราตั้งหนุ่มเทายิ่งใจเขาของลายลาไว้ร่องรำไห้นันเนื่องคนตั้งเมืองตกศาลังสะติปังเววา ลูกลงตาพ่อแม่คนเท่าแก่เรียกหารานเครื่องขวานบ่อพอเอาแต่หอพิเกือหกขึ้นเหนือแหลนไต้ตุกหมัดไม่นำนาสังฆาราชตันเต้าเฮร้ อ, รองเปล่าเดวไว้เรียกเสนาในอามาตังไผยราตลำชะกัน เธอเรียวปันพ้อนาตั้งจังมาอาจอสาสตั้งโยธารถราดย่าือขาดอันใดเสนาไในาหาาัดเทวเธอดาบงงาปืนยาไหลกันมาบอจ้ า, จาพร้ออยู่่าดาไปเจ้าหอใจสังขาราชขี่จ้างอาจมงคล นำรีปนมวนมากออกไปจากเวียงใจเจ้าจอมไตร้องเปล่าแก่เต้าเบาหกใจว่าทัานตั้งไหลหนุ่มเทา <c oughs> สั่งใจเศร้านำนารรมาดาแต่ก่อนเจนปูมันซอนไขว่าการจากไปรบผาเก่นขานาบเอาเมืองย่อนแก่นเคืองโคตรกา โยกไปตาสงคลามย่อมจะทำบอกเกา่าฮือรู้ข่าวมาอ้อนบอ่อใจหลอนเล่นเขา้าดังสู่เจ้าทั้งหลายสู่บ่อไม้บอก ก, าอกอ่าบ่อร้องเปล่าสัญญาป้อเอล่อนมาลบภาพกินคานาะประวีสู่จุงนี้อย่าจ้าปิกปอกนาเรียวปัน การแต่งฟันรบภาพาคเป็นบาปนำนำจากจักน้ำสู่เจ้าือได้เข้าอาบายแม่นสู่ตั้งไหมลมวนหมู่บ่ปอกสู่เมืองตนจุ่มรีปนไัยน้อยจักกาดกเอยมารานาบ่ยาจ๊แลนา อังสุตว่ากัในได้ยินคำกล่าวแห่งตันเต้าสังขราชเต้าปราหกปีนอ้องก็ตอบทองกำไปว่ามึงอยาไขคก่าวออยาอวดรู้จะลายมึงเตียงตายความนาตั้งไพฟาโยธาตั้งพระจาหน่อยใหญ่เตียงตายไข่ตั้งเมือง โอ้ยินเครื่องแต่เหล่าเจนป่อเทาองอ่อนเป็นผู้ทอนเสียเป่าไล่ลูกเต้าตัวนี้หันเตวีเมียน้อยงามอิงอ้อยเอาใจมีผิวใสจะจ่อนเหือเกียงอ่อนมีสีลวดไล่เตวีเมียเก้ากับลูกเต้านีไก่กำเจ็บใจตั้งต่อ แต่เจนป่อตัวยมอมึงจุงดาความดาตัวจักคามึงตายเขาหกใจกล่าวแล้วก็ใส่จ้างแก้วมาไว้บอกโจธาในมวนหมัวแล่นเข้าสู่สะปันยกดาพันฟักฟาดเสียงหมอกหนาดนั้นหูส่องฝ่ายจูรบพา เสียงหอกดาบจมกันปอดังนั้นมีกองเสียงโหร้องมีลายเสียงข้างตายมีมากสองฝ่ายหากฟันแตงต่างฝ่ายแข่งบอยานบอสตันไปได้เสียงจังใจร้องแซนร้องแล้วเล่นเตเมืองโยธาเรื่องหะาทาว แห่งตันเต้าสังคราจามีบางตาเจนกว่าเปิ้นไล่คาตายกองเลือดไหลน้องยายหยาิฝ่ายเต้าราดหกใจโยทะลายมากเต้าบุบุนเขาฟันแตงกำลังแข่งเลือกว่าบ่อปอกหน้าถอยหอนส่วนรีป้นสังขราชมราณตาบำไวย ตกยาดย้ายเป็นทอยเลืออยู่น้อยรวยแรงใจบอ่อแข่งยนยานลวดสะตานพระนีเข้าปุรีเมืองใหญ่คาสักไหลตัวฟันเสียงเดืองนั้นมีกองมีไข่ห้องปุรีก็มีฮันและนะ เมื่อนั้นสั่ง้าราเต้าไทยหันเสหญ่เลื่อการจริงอธิฐานน้อมไว้สึ่งป่อไทยสินธนูใจอันตายไปดวงแล้วว่าคาโดกแก้วเครื่องเี่เหตุศึกพี่มากเต้าใจมนเศร้าอาธรรมขอองค์คำป่อไทยช่วยลูกไว้เร็วปัน แล้วก่อพันยกได้ยังทนูใหญ่ยิงไปเสียงวันไวมีกองไปถูกต้องกะญาแห่งปาราหกเตาล่มดินดาวเมือมมอนแล้วลูกสอนอันใหญ่ก่อตัวไลลเรียวไวถูกเสนาไหนเฮาหาดแห่งตราดหกใจวอดบําไว้จูผู้ห่อข้างอยู่สักคนและนะ ต่อปัญญาแรกแต่นั่นไปนาตนเจ้าฟ้าสังขราชสะเว่ยปาราเมืองใหญ่บ่อร่อนไม้เครื่องกาเจ้าพระเจ้าไฟน้อยบ่อต่ำก้อยมองผ่านสุขสําราญมากเต่าตั้งหนุ่มเทายิ่งใจ กันว่าตายความนาก็ไปเกิดจันฝ้าและเบืองคนสุดแต่ผลวิบากอันตนหากกมะก็มีวันนั้นแหละนะศรัทธาอิมังธรร ม, มเตสนังอาหาริตาศรัทธาสัพพัญญูตนผ่านแผวกันนำมาแล้วยังเตสนา ลำดับมาแต่ก็ทาราบต่อเต้าทั้งไปด้วยปา ร, ริยายได้แหล่หื้อแจ้งแกพิกคู่สรงพระจิงปงโอกาสอาโนศาสโอสานกับท่าวาิกคาเวดูราพิกคู่ตั้งหลายอันเป็นสายอริยาเจ้า อันว่าเตวาตัดบบบเ้าอาธรรมมักกาตมคำราบเป็นขันาบตนกูเป็นสัตถูกกรรมกี <c oughs> บอใจจาดนี้บาเดียวเมื่อกูเตีวโลกไตสมปานไปตึงนี้รวมปุริเมืองใหญ่รวมปอไทยเดียวกันมันยังพันคำขา ่างเจ้าดอลาสัพปัญญูและนาตาตานันตารังลำดับนั้นเจ้าเจีองจันสัพปัญญูตนเป็นครูผ่านแพ้วข้ามปนแล้วจากติโลกาจังจักจาดกมาหือแจงพระจิงแสงเตสนาวาตาตาโกสราจาอิตานิสุทโธตนโน ดังนี้เป็นตนพิาเวดุราพิกูตั้งหลายอันว่าาญากุศราเตจะอาตรือสาในกาลนันนาคือหากใดาญาสรีสุธตานะในกาลบัติี้แหล ปาตุมมาอันวานางปาตุมมาดาดน้อยเทวีสร้อยสุดปายโสภาไหลบ่เศร้าแม่แห่งเจ้าสินธุใจในกาลนันทัยคือหากได้นางสรีมหาัญญาในกาลบัตนีแลลนา อันว่านางสุวรรณปะพาน้อยนาตแม่แห่งสิงหาราชบุญมีในกาลนันันนาะคือนางประจาปติโกตามีในกาละบดีแลนะนาอันว่าสิงหาราชขนคำอยู่ดงดาปะเสากับเจียงเจ้าสินธนุใจในกาลนันใส คือหากมาไดมหาอานันตะในกาลปนีแหละนาะอันว่าเทวีหกคนบาปเศร้าผู้เก่าคือหากได้นางบาใบจินจามานาวิกาผู้ทัดมาคือหากได้นางสุนทระปริภาจิกาเป็นต้นในกาลปนีแหละนาะ อันว่าหกใจปีเกา้ายูนยังเจ้าลงเหวในดงเขียวป่าไม่ผู้เก้าคือหากใ ด, ดเทวตาเทรเรือกว่านั่นคือหากใดโกกาลิกาภิกคเป็นตนในก า, าลบัดนี้และนาะ ส่วนอันว่านางสุนันตาเาจ้าคือนางนนาวิสาขามหาอุปาสิกาในกาลบัตนี้และนาสกอันว่าพระยาอินตาตนวิเศษมาจวยเจ้าน้อยเนสินธนุใจคือหากมาใดมหาโนุรุทธเทรในกาลบัตนี้และนา อันว่านางสุวรรณรังสีวันนั้นคือนางเจียงจันยโสธาราในกาลนี้และ น, า ส, า, า, า, น า, าสังขาราจอันว่าพญ่าสังขาราชลูกเจ้าน้อยน่าสินธนุใจคือหากใดราหุลเถนในกาลบัณฑีและนา เสสาปริสาอันว่าคนตั้งหลายอันเลื่กว่านั้นคือหากใดพุทธบริษัทธทั้งสีคือพิโุพิกุนีอุปาสกาอุ ป, า, อปาสิกาในการลบัตินี้และนะ สินธนูจะโยอันว่าเจ้าสินธนูใจวันนั่นใสคือหากใดพระทากะัตะตนเป็นตีจังกีเปิงตีเปิงแก่โลกทั้งสามในกาลบัตนี้แหละนา <c oughs> ตุ้มเหพาวันตาตันตั้งลายตั้งยิงใจน้อยใหญ่จุงจำไว้ในใจ ปิจจาระนาไปทวนทีเลือกเอาตีเป็นสารละนิท่านเก่าเลือเอาแต่เนื้อมอนในปฏิบัติไปบอกขาเตียงบอกขาดจากนี้รับานในอนาะตตัการอันจักมาไปนาบ่วยาจะลนะา เนติตังขีญาสังว น, นานาวิเศษจาห้องเหตสังสินทนุใจผูกสิบสี่ก็ถึงที่บัวระมวลกาละกวรเท่านี้กอบังคมสมเร็จเสร็จแล้วเท่านี้ก่อนและ